บทที่สพุทธจริยศาสตร์ระดับสูง 1. มัคมีองค์8มัคมีองค์8นี้ในธรรมจกกับปวัตนสูตรเรียกทุกขานิโรธคามมนีปฏิปทาอริยสัจแปลว่าอริยสัจคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ซึ่งหมายถึงอริยมัคประกอบด้วยองค์8หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามัชชิมาปฏิปทา ทางสายกลางหรือหลักปฏิบัติอันเป็นสายกลางในที่นี้กล่าวถึงคุณธรรมแปดประการคือ 1. สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ right understanding 2. สัสามมาสังกัปปะความดาริชอบ right thoughts สสัมมาวาจาการพูดชอบ right speed 4. สัมมากรรมันตะการกระทำชอบ (right action) 5. สัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบ (right livelihood) 6. สัมมาวายามะความเพียรชอบ (right effort) 7. สัมมาสติความระลึกชอบ (right mindfulness) 8. สามมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบ (right concentration) ความหมายขององค์ทั้งแปดของอริยมรรคหนึ่งสัมมาทิฏฐิหมายถึงความเห็นถูกต้องตามธํานองครองธรรมเช่นเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบุญมีบาปมีชาติหน้ามีชาติก่อนมีในความหมายที่สูงขึ้นไปหมายถึงการเห็นอริยสัจสี่ครบถ้วนตามความเป็นจริง คือเห็นอริยศัสตร์ซึ่งประกอบด้วยยาน3อาการสิ 2. สองสามมาสังกับปะหมายถึงความดำริชอบอันประกอบด้วยลักษณะแห่งความดำริ3ประการคือ 2.1. ดหาริที่จะปลีกตนออกจากอารมณ์ยั่วยวนต่างๆเนคขมะสังกับปะ 2.2. ดําริในการไม่พยาบาท อภิยาปาทะสังกับปะ 2.3. ดําริในความไม่เบียดเบียนอวิหิงสาสังกับปะ 3. สัมมาวาจาคือการพูดที่ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้ 3.1. เว้นจากการพูดเท็จพูดคำจริง 3.2. เว้นจากการพูดสอดเสียดพูดคำประสานสามัคคี 3.3 เว้นจากการพูดคำหยาบพูดคำอ่อนหวาน 3.4 เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อพูดคำมีประโยชน์ 4. สัมมากัมมันตะหมายถึงการกระทำชอบมีองค์ประกอบดังนี้ 4.1 เว้นจากการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นสัตว์อื่นซึ่งรวมเรียกว่าเว้นปานาติบาท มีเมตตากรุณาต่อสัตว์ทั้งหลาย 4.2 เว้นจากการเบียดเบียนทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งรวมเรียกว่าเว้นอาทินาทานมีการเสียสละแบ่งปันฉเฉลี่ยความสุขของตนเพื่อผู้อื่นตามสมควร 4.3 เว้นจากอภรมจันคือการเสพเมถุนคือเว้นจากกามารมณ์นี่กำหนดอย่างสูง พอใจในเนคขมมะคือการปลีกตนออกจากกามอย่างตามหมายถึงเว้นจากการมสุมิชฉาจารพอใจในคู่ครองของตน 5. สัมมาอาชีวะท่านหมายถึงการเว้นมิจฉาชีพทุกรูปแบบประกอบตนอยู่ในสัมมาชีพอะไรคือสัมมาชีพเป็นเรื่องยากที่จะวินิจฉัยชี้ขาด เป็นเรื่องที่นักปราชญ์ทั้งทางโลกและทางธรรมถกเถียงกันมากแต่ก็ไม่อาจวินิจฉัยเด็ดขาดลงไปได้พรยกตัวอย่างได้เป็นบางประการเท่านั้นเช่นการลักขโมยปล้นช่อโกงยักยอกเป็นต้นเป็นมิจฉาชีพส่วนการประกอบอาชีพโดยสุจริตเป็นสัมมาชีพแต่แม้ลักษณะของอาชีพเป็นสัมมาชีพแล้ว ถ้าทุจริตในอาชีพนั้นก็จัดเป็นมิจฉาชีพเหมือนกันเรียกว่าทำมิจฉาชีพในสัมมาชีพ 6. สัมมาวายามะหมายถึงความเพียรชอบทุกรูปแบบที่กล่าวถึงในพระบาลีมัคควิพังขสูตรตรัสถึงความเพียรสี่ประการคือ 6.1. สังวรปรปทาน เพียรระวังบาปอากุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น 6.2. ปหาณประทานเพียรละบาปอากุศลที่เกิดขึ้นแล้ว 6.3. ภาวนาประทานเพียรให้กุศลที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้น 6.4. อนุรักษนาประทานเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมและทำกุศลให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป เจ็ดสา ม, มาสติสติชอบหรือความระลึกชอบในขั้นธรรมดาขอให้พิจารณาว่าระลึกถึงสิ่งใดอยู่กุศลธรรมเจริญขึ้นอกุศลธรรมเสื่อมไปก็ควรระลึกถึงสิ่งนั้นบ่อยๆในขั้นสูงขึ้นไปทรงสอนให้ระลึกในสติปัฏฐานสคือ 7.1 หนึ่ง กายานุปัสสนาพิจารณากาย 7.2 เวทนานุปัสสนาพิจารณาเวทนาคือสุขทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์ 7.3 จิ ต, ตานุปัสสนาพิจารณาจิตว่ามีราคะโทสะโมหะหรือไม่มีในจิตจิตเป็นอย่างไรพิจารณาตามรู้ 7.4 รรมมานุปัสนาพิจารณาธรรมทั้งที่เป็นปกุศลอกุศลและอัพยากฤิว่ามีอยู่ในตนหรือไม่สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างไรควรละอย่างไรควรอบรมให้เกิดขึ้นอย่างไรเช่นนิวรณ์หเป็นสิ่งที่ควรละพ่อชงเจ็ดเป็นสิ่งควรบำเพ็ญเป็นต้น ความจริงแล้วสติปัฏฐานมีหนึ่งคือการตั้งสติส่วนกายเวทนาจิตและธรรมนั้นเป็นอารมณ์ของสติคือเป็นสิ่งที่ควรเอาสติเข้าไปพิจารณาหรือเอาสติไปตั้งไว้เหมือนโต้ตัวหนึ่งมีขาสี่ขาฉชนั้นแต่สัมมาสมาธิสมาธิหมายถึงการที่จิตตั้งมั่นในอารมณ์ออบเจกต์ อย่างใดอย่างหนึ่งความที่จิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่ฟุ้งซ่านท่านแสดงสมาธิไว้สามระดับคือ 8.1. นคณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณนะ 8.2. อุปจารสมาธิสมาธิเฉียดชานหรือใกล้ชาน 8.3. อัปปนาสมาธิสมาธิที่แน่วแน่หรือสมาธิในฌาน แต่สมาธิที่หมายถึงในมรรคมีองค์แปดนี้คืออัปปนาสมาธิหรือสมาธิในฌานสี่ตามพระบาลีมัคคาวิพังคสูตรสังยุตตนิกายมหาวารวักพระไตรปิฎกเล่ม19หน้าส0ข้อ3ามาฌานแปลตามตัวอักษรว่าความเพ่ง หมายถึงความที่จิตสงบนิ่งอยู่กับอารมณ์ออบเจกต์อย่างใดอย่างหนึ่งปลอดจากนิวรณ์ทั้งห้าคือกามฉันทะพอใจในกามคุณรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะหรือผัสสะทางกายพยาบาทความปองร้ายผู้อื่นถีนามิทะง่วงเหงาเกียรคร้านอุทธจักกุกุจจะ คลุงสานและรําคาญวิจิกิจฉาลังเลสงสัยตัดสินใจไม่ได้ปฐมฌานเมื่อปลอดจากนิวรณ์ทั้งห้าแล้วเข้าสู่ฌานที่หนึ่งจิตในปฐมฌานคือฌานขั้นที่หนึ่งนั้นประกอบด้วยองค์ห้าคือ 1. วิตกอาการที่จิตจับอารมณ์ได้ 2. วิจาร อาการที่จิตเคล้าอยู่กับอารมณ์นั้น 3. ปีติความอิ่มใจ 4. ส, สุขความสุขใจ 5. เอกะขะตาความสงบนิ่งแห่งใจหรือความที่ใจเป็นหนึ่งตั้งมั่นไม่หวั่นไหวปีติกับสุขมีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยคือเมื่อจิตจับอารมณ์ได้แล้วเคล้าอยู่กับอารมณ์นั้นไม่ฟุ้งซ่านไป ใจเริ่มได้พักผ่อนหายเหนื่อยหายกระวนกระวายย่อมเกิดปราโมทขึ้นเหมือนน้าหยดลงขันทีระยดพอเต็มขันปริ่มอยู่นั่นแหละคือปีติเมื่อปีติเกิดขึ้นแล้วทำให้มีความสบายทางกายขึ้นหายปวดหายเมื่อยเหมือนคนระหกระเหินเดินทางไกลวกวนอยู่ช้านานพอได้นั่งพักหรือนอนพักใต้ร่มไม้ อันเป็นที่สบายรู้สึกหายเหนื่อยเมื่อปีติมากขึ้นและใช้เวลาพอสมควรแล้วก็สงบลงเรียกอาการที่สงบลงนี้ว่าปัสสัตทิความสงบกายสงบใจจากความสงบนี่เองความสุขย่อมเกิดขึ้นเป็นความสุขอ่อนอ่อนมีความรู้สึกปลอดโปรง่งเบากายสบายใจอย่างที่หาไม่ได้ในชีวิตคนธรรมดา หรือชีวิตนอกฌานทุติยะฌานฌานที่สองประกอบด้วยองค์สาคือปีติสุขและเอกคตาส่วนวิตตกวิจารสงบระงับไปเพราะยังหยาบอยู่ตติยะฌานฌานที่สประกอบด้วยองค์สองคือสุขกับเอกคตาส่วนปีติสงบระงับไป จตุธชาญชาญที่สประกอบด้วยองค์สองคืออุเบกขากับเอกคตาปัญหาว่าอุเบกขากับเอกคตาต่างกันอย่างไรความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเรียกว่าเอกคตาความรู้ของจิตที่เพ่งเฉยอยู่มีสติอันบริสุทธ์กำหนดรู้อยู่เรียกว่าอุเบกขา ขณะนั้นไม่มีสุขไม่มีทุกข์อดุขมะสุขขังอุเปขาสติปาริสุทธิ์ทิงจะตุดถังชานังอุปสามปัจชะวิหรารติจากมัคคาวิพังคสูตรสั่งยุตตนิกายมหาวรารวักพระไตรปิฎกเล่มที่19หน้าสิบข้อส3ผสาู้ได้ฌานที่สี่แล้วดวงจิตย่อมบริสุทธิ์ผ่องใสปริสุทธิ์ทาง ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวสมาฮิตังและมีความพร้อมเพียงพอที่จะน้อมจิตไปเพื่อความรู้หรือญาณต่างๆกรรมนิยังเช่นปุกเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติต่างๆได้จุตูปปาตยานรู้การจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายตลอดถึงอาสวะขยายญาณ ความรู้ที่สามารถกำจัดกิเลสให้สิ้นไปรวมยานทั้งหมดนี้เรียกว่าวิชาสามสมาธิแม้ไม่ถึงขั้นชาญเป็นเพียงคณิกะสมาธิก็มีประโยชน์มากในการศึกษาและการทำงานแต่ขอให้เป็นสมาธิในทางที่ถูกเป็นสัมมาสมาธิเท่านั้นถ้าเอาสมาธิไปใช้ในทางที่ผิดก็มีโทษเหมือนกัน แม้พวกไสยศาสตร์ก็ต้องใช้สมาธิในเรื่องบริกรรมคาถาอาคมต่างๆองค์มรรคทั้งแปดนี้เมื่อรวมตัวกันเข้าเป็นมรรคสมังคีก่อให้เกิดสัมมาญาณหรือความรู้ชอบหรือยะถาภูตยานัศสนะความรู้เห็นตามเป็นจริงนี่แหละคือตัวอริยมรรคตามแนวพระพุทธพน์ซึ่งสรุปให้เข้าใจง่ายดังนี้ เมื่อมีโยนิโสมนสิการการทำในใจอย่างแยบขายอย่างมีปัญญาปราโมทย่อมเกิดเมื่อมีปราโมทปิติย่อมเกิดปัสธิสุขสมาธิยถาภูตยาทัทสนะนิพิทาความหนายวิราคะความคลายกำหนัดรวมเก้าประการซึ่งมีอุปการะและหนุนเนื่องไปสู่วิมุตติความหลุดพ้นจากกิเลส จากที่ขณนิกายปาติกวัคพระไตรปิฎกเล่ม11หน้า329ข้อ455หต่อมาสัมมาญานหรือยถาภูตยานัทสนะถ้าพูดอย่างรวบรัดก็จะไปถึงสัมมาวิมุตติแต่ถ้าขยายออกไปในระหว่างนั้นมียานต่างๆขั้นอยู่หลายประการเหมือนกันกล่าวคือ 1. ข้อตรภูยาน แปลว่าความรู้ที่กําลังพ้นเขตของปุถุชนและกําลังย่างขึ้นสู่เขตพระอริยะเจ้าซึ่งตั้งอยู่กึงกลางระหว่างความเป็นปุถุชนกับอริยชนเรียกไม่ได้ว่าเป็นปุถุชนหรืออริยชนเปรียบเหมือนคนข้ามฝั่งด้วยเรือเมื่อเรือเทียบท่าแล้วขาหนึ่งก้าวขึ้นอยู่บนบกอีกขาหนึ่งยังอยู่ในเรือหรืออีกอุ ป, ปมาหนึ่ง เหมือนสภาพของเวลาที่เราเรียกว่าทวัยไลท์สองสีสองแสงกึ่งกลางระหว่างความมืดกับความสว่างระหว่างกลางคืนกับกลางวัน 2. มักขยานยานในมักมีโสดาปฏิมักเป็นต้นยานนี้จะทำหน้าที่ตัดกิเลสให้ขาดเหมือนยาเข้าไปทำลายหรือตัดโรค 3. ผลละยานยานในผล คือรู้ว่าผลแห่งการกำจัดกิเลสได้เป็นอย่างไรเป็นความสงบสุขอย่างไรเปรียบเหมือนความสุขของคนหายโรคแล้วรู้ว่าโรคหายเด็ดขาดไม่เกิดขึ้นอีก 4. ปัจจเวขณะยานการพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วและกิเลสที่ยังไม่ได้ละว่ามีจํานวนเท่าใดสำหรับพระอริยบุคคลสามจพวกแรก ส่วนพระอระหันต์พิจารณาเฉพาะกิเลส ท, ที่ละได้แล้วอย่างเดียวไม่ต้องพิจารณากิเลส ท, ที่ยังไม่ได้ละเพราะไม่มีกิเลสอะไรจะต้องละอีกแล้วการที่ความสงบสุขอันเกิดจากการตัดกิเลสได้เป็นไปยั่งยืนไม่ต้องคอยระวังเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกนั่นเองคือ น, นิพพานแปลว่าความดับสนิทเย็นสนิท ที่กล่าวมานี้เป็นกระบวนการ process ของอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ซึ่งเป็นปฏิปทานำไปสู่ความดับทุกข์หรือทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจว์ 2. มรรคมีองค์8ดกับชีวิตประจำวันบางคนอาจมีความเห็นไปว่ามารรคมีองค์8ดนี้เป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อไปสู่นิพพาน ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวโลกผู้อย่างข้องอยู่ในโลกแต่ตามความเป็นจริงแล้วมัรคมีองค์แปดนี้มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากเรียกได้ว่าเป็นอุดมคติและวิถีชีวิตของชาวพุทธทีเดียวถ้าจะมีคำถามว่าชาวพุทธควรดำเนินชีวิตอย่างไรคาตอบก็คือควรดำเนินตามมารคมีองค์8นั่นเอง สำหรับคนทั่วไปอาจจะปฏิบัติในขั้นที่ต่ำลงมาแต่ในทางเดียวกันเปรียบเหมือนตัวยาเดียวกันถ้าเป็นเด็กก็กินน้อยหน่อยผู้ใหญ่ก็กินมากขึ้นหรือผู้ใหญ่ด้วยกันถ้าโรครุนแรงมากอาจต้องเพิ่มยาโรคทุเลาลงก็ลดยาลงกล่าวโดยเหตุผลมีใครบ้างที่ไม่จำเป็นต้องมีความเห็นอันถูกต้อง ความดัริหรือความคิดอันถูกต้องการพูดที่ดีการทำที่ดีอาชีพที่สุจริตความพยายามที่ถูกต้องสติและสมาธิอันถูกต้องทุกคนต้องยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันของคนทุกคนคุณธรรมเหล่านี้ก็คือมารคกมิองแปดนั่นเอง ผู้ดำเนินชีวิตตามนี้ย่อมมีความสุขความเจริญความโปร่งใจไม่มีความขัดแย้งในจิตใจคอน FLICT อันเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งของความทุกข์ความวิตกกังวลของมนุษย์ 3. กิจในอริยสัจว์4จากธรรมจา ก, กรกปวัตนสูตรกิจคือหน้าที่ในอริยสัจสี่ 4, ข้อใดมีหน้าที่อย่างไรรวมเรียกว่าไตรปริวัตถวาทศาการแปลว่าสามรอบส2องอาการหมายถึงยานสามในอริยสัจว์่คือสัจจะยานกิจจยานและกะตะยานสำหรับทุกข์การยอมรับว่าความทุก์แห่งชีวิตมีอยู่จริงชีวิตคลุกเคล้าไปด้วยความทุกจริงเป็นสัจจะยาน การรู้ว่าความทุกข์เป็นสิ่งควรกําหนดรู้คือควรกําหนดให้รู้ปริญเยยธรรมเป็นกิจเจยานการรู้ว่าได้กําหนดรู้แล้วเป็นกะตะยานสำหรับสมุทยัยการยอมรับว่าสมุทัยคือตันหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริงเป็นสัจจยานการรู้ว่าสมุทัยคือตันหาเป็นสิ่งควรละ ปหาตัปพรธรรมเป็นกิจเจยานการรู้ว่าได้ละแล้วเป็นกะตะยานสำหรับนิโรธการยอมรับว่านิโรธคือความดับทุกข์มีอยู่จริงความดับทุกขสามารถดับได้จริงโดยผ่านทางการดับตัณหาเป็นสัจจยานการรู้ว่านิโรธควรทําให้แจ้งขึ้นในใจตัชิกาตัปพฤทธิ์เป็นกิจเจยาน การรู้ว่าได้ทำให้แจ้งแล้วเป็นกะตะยานสำหรับมัค ก, การยอมรับว่ามัคมีองค์แปดเป็นทางนำไปสู่ความดับทุกจริงเป็นสัจจยานการรู้ว่ามัคเป็นสิ่งควรอบรมบําเพ็ญให้เกิดมีภาเวตาพะธรรมเป็นกิจจยานการรู้ว่าได้เจริญอบรมให้เต็มที่แล้วเป็นกะตะยาน ผู้รู้อริยสัจส์่ที่เรียกว่ารู้จริงรู้แล้วพ้นทุกได้ต้องรู้ประกอบด้วยยานสามอาการ12นี้ที่คนสามัญรู้นั้นเป็นความจำไม่ใช่ความรู้ที่แท้จริงเพราะยังปฏิบัติตามที่รู้ไม่ได้หมายเหตุมักมีองค์แปดโดยละเอียดได้เขียนไว้แล้วในหนังสืออริยสัจส์่ของอาจารย์วศีนินทัสระ สำนักพิมพ์ธรรมดาพิมพ์ครั้งที่6สิงหาคม2 5 4 0